มีแมวตัวหนึ่งนะอยู่ประจำที่ศูนย์พยาบาลคนชาราแห่งหนึ่งในอเมริกาชื่อออสการศูนย์นี่เนี่ยเขารับเอาออสการมาอยู่ตั้งแต่เล็กเลยนะเมื่อ17ปีที่แล้วปกติศูนย์พยาบาลคนชาราหรือที่เรียก ง, ง่ายๆว่าบ้านพักคนชาราเนี่ยเขาก็ไม่ค่อยรับสัตว์มาเลี้ยงเท่าไหร่นะเพราะเขากลัวเชื้อโรค แล้วก็มันจะเป็นการสร้างภาระให้กับเจ้าหน้าที่แต่ศูนย์นี้พิเศษนะเขาอนุญาตให้สัตว์เลี้ยงเนี่ยมาอยู่ถือว่ามีส่วนช่วยในการเยียวยาบำบัดจิตใจของผู้ป่วยผู้ป่วยที่ศูนย์เนี่ยนะคือคนชราเนี่ยส่วนใหญ่ก็เป็นโรคที่เกี่ยวกับสมอง เช่นอัลไซเมอร์หรือว่าพากินสันความจำเสื่อมเดี๋ยวนี้คนแก่เป็นเงนเยอะนะอันนี้เป็นจะเรียกว่าเป็นผลที่ข้างเคียงของการมีอายุยืนก็ได้คนดย๋ยวนี้มีอายุยืนมากขึ้นก็จริงแต่ว่าอายุที่ยืนเนี่ยมันก็หมดไปกับการเจ็บป่วยด้วยโรคนานาชนิดโดยเฉพาะโรคที่เยู่วสมอง อัลไซเมอร์ความจำเสื่อมพากินสันและพวกนี้เนี่ยพอเป็นหนักๆ น, นี่ก็สุดท้ายก็ตายนะเพราะว่าไม่มีตอนนี้ยังไม่มีหนทางเยียวยารักษานะก็แค่ได้ดูแลแบบประคับประคองไปออสการ์เนี่ยมาอยู่ตั้งแต่เล็กนะพอโตได้สัก 5-6 เดือนเนี่ย ก็เริ่มมีพฤติกรรมที่น่าทึ่งนะคือปกติเนี่ยออสการนี้ก็เวลาว่างๆก็จะชอบไปไปเยี่ยมผู้ป่วยตามเตียงต่างๆเหมือนกับหมอพยาบา ล, ลนะนะอาจจะเรียนแบบหมอพยาบาลก็ได้ผู้ป่วยบางเตียง ออสการ์ก็แค่เดินผ่านเฉยๆอาจจะใบดมๆดูบ้างแต่จะมีบางคนนะที่ออสการ์นี่จะหยุดนิ่งแล้วก็ขึ้นไปขึ้นไปนอนเป็นเพื่อนหรือบางทีก็ไปไปขดนะอยู่รอบๆแล้วอยู่ข้างๆตัวและหมอหรือพยาบาลสังเกตนะ คนไข้คนไหนที่ออสการ์เนี่ยไปนั่งหรือไปนอนอยู่บนเตียงเนี่ย2ชั่วโมงแล้วจากนั้นคนไข้ก็จะเสียชีวิตทีแรกก็ไม่มีคนสังเกตนะแต่ว่าพอผ่านไปผ่านไปเขาสังเกตนะออสการ์ Oscar นี้ไปอยู่ใกล้ชิดนะไปนั่งไปนอนพัก กับคนไข้เตียงไหนเนี่ยนับเวลาถอยหลังได้เลยนะส3ามชั่วโมงก็จะตายก็เริ่มมีการพูดคุยกันนะเริ่มกล่าวขานกันนะถึงกิจกรร์ของออสการ์ไม่มีคราวหนึ่งนะอ่หมอก็มินิฉัยว่าเนี่ยคนไข้คนค น, นี้กำลังจะเสียชีวิตแต่ว่าออสการ์เนี่ย กับเดินผ่านไปไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่หมอก็เลยดาวว่าเนี่ยสงสัยออสการ์เที่ยวนี้เนะี่ยผิดแล้วล่ะคนไข้เนี่ยอีกไม่นานจะตายแต่คนไข้แต่ออสการ์เฉยเมยแสดงว่าที่เลือกมาออสการ์นี่แม่นยําในเรื่องว่าคนไข้คนไหนใกล้ตายเนี่ยคงจะไม่จริงแล้วล่ะบอกว่าคนไข้นั้นไม่ตายนะอยู่ได้อีกสิบชั่วโมง แต่พอชสองชั่วโมงสุดท้ายเนี่ยออสกามาแล้วแล้วก็มานอนอยู่ใกล้ๆก็กลายเป็นว่าที่หมอคิดว่าออสกาผิดเนี่ยที่จริงอะหมอผิดออสกาถูกนะที่หมอวินิจฉัยว่าเนี่ยคนไข้กำลังจะตายเนี่ยยังไม่ตายหรอกอยังอยู่ได้อีก10ชั่วโมงอันนี้ก็ยิ่งเลือนใหญ่เลยนะว่าออสกานี่ มีความสามารถพิเศษมีพรสวรรค์ที่จะรู้ว่าใครใกล้ตายตอนหลังเนี่ยวลนนอสการ์เนี่ยไปไปนอนไปกดตัวอยู่บนเตียงใครเนี่ยหมอพยาบาลจะรีบเรียกญานมาเลยนะเตรียมมาได้แล้วรีบมาเ ล, ล้วด้วยนะไม่เกินสองชั่วโมงเนี่ยคนไข้ไปแล้วแล้วก็จริงนะมีบางรายมีคราวหนึ่งนะ คนไข้คนหนึ่งใกล้าตายพยาบาลก็เรียกออสการ์มาแต่ว่าพยาออสการ์ไม่สนใจนะคนไข้คนนี้กลับไปสนใจคนไข้เตียงข้างๆซึ่งก็ดูแข็งแรงหมอพยาบาลคิดว่านี่ออสการ์นี่ผิดอีกแล้วนะกว่าออสการ์ถูกนะเพราะว่าคนไข้ที่ดูเหมือนแข็งแรงเนี่ย สองสามชั่วโมงเลยนะก็ตายส่วนคนไข้ที่หมอพยาบาลคิดว่าเนี่ยใกล้ตายแล้วยังอยู่ได้อีกนะอีกเป็นวันเพราะฉะนั้นก็เลยเป็นอันว่าเนี่ยออสการ์นี่แม่นยำมากนะไม่มีพลาดเลยจนกระทั่งถึงปีหกสามเนี่ยนะปีหกสาม ก็มีสถิตินะว่าออสการเนี่ยทำนายถูกถึงห้าสิบคนเรียกว่าร0 0เอร์ซเลยนะหมอพยาบาลยังทำนายผิดบอกว่าคนนี้จะตายไม่กลับไม่ตายคนนี้ยังอยู่ได้อีกนานกับไปซะแล้วหมอพยาบาลที่เรียนมาเยอะเนี่ยทำนายไม่แม่นยาเท่าออสการ ออสการ์ก็แปลงนะคนไข้ที่ใกล้าตายเนี่ยบางทีญาติมาเยี่ยมแล้วญาติไม่อยากจะให้ออสการ์มาอยู่ใกล้ๆเพราะญาติเนี่ยไม่ชอบออสการ์ไม่ชอบแมวบอกให้พยาบาลเนี่ยเอาออสการ์ไปอยู่ไกลๆไปนอกห้องออสการ์ก็ยอมนะแต่มันไม่ไปไกลมันก็ยวนก็วนเวียนอยู่ตรงหน้าประตูนี่แหละจนกระทั่งคนไข้าตาย พอคนไข้าตายออสกาก็ผลาไปเลยนะก็เมื่อคนไข้คนอื่นๆนะพอใกล้ตายในออสกาก็จะมาอยู่ใกล้ๆมีบางคนเส้นเลือดขอดที่ขานะเลือดไม่เลี้ยงไปที่ขาแนละ้วขานี่กำลงังจะตายแนละ้วออสการนี่ก็ไปขดอยู่รอบๆขานะแล้วก็ เหมือนเคยนะ 2-3 ชั่วโมงเหล่านั้นคนไข้ก็ไปแล้วพอคนไข้าตายนอะอสการ์ก็ก็แค่นะเดินออกจากเตียงนั้นก็ไม่ได้มีท่าทีโศกเศร้าอะไรอวร อ, อย่างไรเหมือนเขารู้หน้าที่นะคนก็สนใจกันมากนะว่าออสการ์นี่รู้ได้อย่างไรเพราะว่า มันไม่ใช่คําเล่าขานนะมันมีคนเฝ้าสังเกตดูหลายครั้งมีการทําวิจัยมีการทําสถิติออสการ์นี่แม่นยําจนเป็นที่รู้กันในวงการแพทย์ก็มีการพยายามอธิบายว่าทําไมออสการ์ถึงรู้บางคนก็บอกว่าคนใกล้ตายจะมีสารบางอย่างหลั่งออกมาเช่นสารคีโตนซึ่งออสการ์เนี่ยได้กลิ่นแมวนี่มันได้ มีสัมพิเศษอยู่แล้วในเรื่องของกลิ่นแม้จะนนั้คิดว่ามีสารเคมีบางอย่างนะหรือกลิ่นบางอย่างที่ออกมาจากคนใกล้าตายซึ่งแม่นี่รู้ได้และออสการ์ก็มีประสบการณ์เยอะจนกระทั่งรู้ว่าไอ้ ก, กลิ่นแบบนี้เนี่ยมันออกมาจากคนใกล้าตายอีกไม่กี่ชั่วโมงหรือว่าจะมีเหตุผลอื่นก็ได้แต่ที่มันน่าสนใจอย่านั้นคือว่าออสการ์เนี่ยไอ้แค่รู้ว่าขายใกล้ตายนี่ก็ประหลาดแล้วนะ แต่รู้แล้วเนี่ยก็ไปหาคนนั้นไปนอนไปนั่งเป็นเพื่อนนะมันก็เป็นการให้กำลังใจอันนี้ประหลาดกว่านะรู้ว่าคนนี้ใกล้าตายแล้วแต่ก็เฉยเมยนั่นไม่ใช่วิสัยออสการ์ออสการ์ที่เข้าไปเป็นเพื่อนและคนใกล้าตายก็คงจะรับรู้ได้นะว่ามีแมวเป็นเพื่อน แล้วคนฝรั่งส่วนใหญ่ก็รักแมวพอมีแมวมาอยู่เป็นเพื่อนมาขดใกล้ๆ ก, ก็มีความสุขนะอบอุ่นใจออสการ์คงรู้นะนั้นจะว่าไปแล้วออสการ์นี้ไม่ใช่แค่มีความสามารถพิเศษนะทางด้านัสษะแต่ยังมีความเห็นอกเห็นใจความเมตตากรุณาด้วยซึ่งอันนี้ไม่รู้เขาเรียนมาจากไหนนะ อย่างที่บอกเมื่อวานวัดสันเนี่มีสัมผัสพิเศษนะเมื่อวานนี้พูดถึงหมานะีมีสัมผัสพิเศษรู้ว่าคนเนี่ยคนไหนกําลังทุกข์กำลังโศกกาลังเศร้าคนไหนกําลังหอเหี่ยวรู้อย่างเดียวไม่พรอจไปช่วยไป เ, เป็นเพื่อนไปชวนเล่นชวนอ่าอ่าหรเชวนคุยก็ได้นะหรือไม่ก็ไปนั่งเป็นเพื่อนใกล้ๆนะไม่รบกวนรังควานก็แค่อยู่เป็นเพื่อน แมวก็เหมือนกันนะทำได้นะจต่ออสการ์นี่เพิ่งตายนะเมื่อปีที่แล้วเนียงนะก็เป็นข่าวเล็กๆนะแต่ว่าออสการ์นี่เขาดังมาก่อนที่เขาจะตายนะมีคนเขียนหนังสือเนะี่ยมีแปลเป็นไทยนะชื่อว่าออสการ์แมวธรรมดาที่ไม่ธรรมดามันเป็นหนังสือที่ดีมากเพราะหมอที่เป็นคนเขียนแล้วเขาทาให้เราเข้าใจธรรมชาติของคนป่วยเป็นโรคอัลไซเมอร์ ก็ไม่ได้เล่าแต่เรื่องออสการ์แต่เล่าถึงคนป่วยได้ว่ามีธรรมชาติเป็นอย่างไรซึ่งก็คนที่จะเรียนรู้นะเพราต่อไปพ่อแม่ของเรารู้ตัวเราเองก็จะเป็นอัลไซเมอร์ถ้ามีความรู้พื้นฐานบ้างก็จะได้รู้ว่าจะปฏิบัติตัวอย่างไรถูกแล้วก็ยอมรับเขาแดงอย่างที่เขาเป็นไม่ใช่ติดอยู่กับภาพในอดีตว่าเขาเคยเป็นผู้หญิงเก่งเป็นผู้ชายที่แข็งแรงฉลาดแต่ตอนนี้หมดสภาพไปแล้วหลายคนทําใจไม่ได้เพราะยังติดภาพอดีตไม่ได้ยอมรับสิ่งที่เขาเป็นในปัจจุบัน หรือไม่สามารถจะรักเขาอย่างที่เขาเป็นในปัจจุบันได้ซึ่งนี้ก็เป็นความรู้ของคนไข้เองของของญาติเองนะคนไข้ไม่รู้เรื่องอะไรแล้วละ